ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า พ, พระองค์นั้นเิีญนยะสังหะอัตตะาข้าสารีบุตรมหาเถระชาวศรีลังกา ร, รชนาพระมหาอาคมธรรมาคโมปแปลเรื่องที่สาสิสองครุกาปติอุทธานะวินิชยากถาคะถาวินิจฉัยว่าด้วยเรื่องการออกจากครุกาบัต ก็ถึงเรื่องของปาริวาสิกะวัดเป็นต้นต่อไปก็ปาริวาสิกะที่ษุเห็นปกตตะภิกษุแม้ที่อุปสมบทในวันนั้นพึงลุกจากอาสนะและครั้นลุกขึ้นแล้วไม่พึงหลบหน้าไปไหนเสียด้วยคิดว่าเรานั่งสบายแล้วภิกษุนี้ทำให้เราต้องลุกดังนี้ก็คือถ้ามีภิกษุปกตตะมาไม่ว่าจะเป็นกี่รษาบวชใหม่ก็ตาม ต้องลุกขึ้นลุกขึ้นก็ต้องไม่หลบหน้าไปด้วยปกติตาพิจุนั้นอันเธอพึงนิมนต์ด้วยอาสนะอย่างนี้ว่าท่านอาจารย์นิอาสนะนิมนต์นั่งบนอาสนะนี้ต้องเรียกให้นั่งอยนะู่นะฝ่ายนวกระพิจุผู้ปกติตะไม่ควรไปยังสํานักของพระเถระผู้อยู่ปริวาสด้วยตั้งใจว่าเราจะทําพระมหาเถระให้เป็นผู้กระอาบกระอวนไม่ควรจะไปแกลง้ง ถ้ารู้ว่าพระพิโตุรูปใดท่านอยู่เป็นว่านี้ก็อย่าไปเกี่ยวข้องกนะับท่านมากนะักถ้าไม่มีกิจจําเป็นอะไรนี่เพราะว่าท่านจะต้องลําบากในการจะมาเชือ้อเชิญลุกลับต้อนรับอะไรตา่างๆปริวัตการพิโตุไม่พึงนั่งบนอาสนะเดียวกันกับปกติตะพิโตุถ้านั่งมีเมีอาบัตวนะวตเพศไม่ให้นั่งบนอาสนะเดียวกันกับปกติตาพิโนะ ต, เเ ต, ตุเมื่อปกติตะพิโตุ นั่งนั่อาชนะต่ำไม่พึงนั่งณัอาสนะสูงเมื่อปกติตาพิสุนั่งนที่พื้นดินไม่พึงนั่งณอาสนะแต่ควรนั่งละอุปจาระสิบสองศอกก็คือต้องห่างออกไปหกเมตรไม่พึงจงกรมในที่จงกรมเดียวกับปกติตาพิสุอย่าไปจงกรมที่จงกรมเดียวกันด้วยเมื่อปกติตาพิสุจงกรมอยู่ในที่จงกรมไม่พึงจงกรมในที่จงกรมสูง ก็คือปกติตาที่ส um> <Yeah, ูดจงกรมอยู่ในที่จงกรมต่ำไม่พึงจงกรมอยู่ในที่จงกรมสูงเมื่อปกติตาที่สูดจงกรมบนพื้นดินไม่พึงจงกรมในที่จงกรมสำหรับในวัดเหล่านี้เมื่อปกตัตาที่สูดจงกรมอยู่ณพื้นดินที่ไม่ได้กั้นเขตไว้ไม่พึงจงกรมณที่จงกรมที่กั้นเขตไว้เกลี่ยทรายประกอบที่เหนียวแม้เป็นที่ต่ำ และไม่จำเป็นต้องกล่างอะไรในที่จงกลมที่พร้อมเสร็จด้วยการก่ออิดทั้งแวดล้อมด้วยกำแพงแก้วแต่ถ้าที่จงกลมที่ล้อมด้วยกำแพงประกอบด้วยซุ้มประตูหรือว่ามีที่จงกลมที่กำบังดีณนะระหว่างเขาระหว่างป่าและระหว่างกอไม้จะจงกลมในที่จงกลมเช่นนั้นสมควรอยู่จะเว้นอุปจาระจงกลมณนะที่จงกลมแม้ไม่ได้กาบังก็ควรก็คือถ้ามีที่กาบังไว้ก็แยกกัน จงกลมก็ไม่เป็นไรหนึ่งว่าเป็นที่จงกลมเดียวกันแต่ว่าเว้นอุปจาระก็สมควรอุปจาระก็สิบสองศอกจะนั่งจะเดินก็ห่างกันสิบสองศอกไม่เป็นไรเรียกว่าเป็นคนละที่นั่งที่จงกลมทิสสุผู้อยู่ปริวาสไม่พึงอยู่ในอาวาสหรือว่าในอาณาวาสที่มุงอันเดียวกันกับทิกสุผู้อยู่ปริวารที่แก่กว่า ไม่ใช่เฉพาะพิสุปกตตาเท่านั้นพิสูตที่อยู่ปริวัตแก่กว่านี้ก็ไปอยู่ในที่มุงที่บางเดียวกันไม่ได้จะเป็นอาวาาหรืออนาวา่าก็แล้วแต่หรือว่าจะเป็นพิกษุผู้ควรแกมูรายะปฏิการนาผู้ที่ชักขา้อาอบดับเดิมผู้ควรแก่มานัดก็าตามผู้กําลังประพฤติมานัดก็าตามหรือว่าผู้ที่ควรจะ่อภานก็าตามก็ไม่ควรที่จะไปอยู่ในที่มุงที่บางเดียวกันเท่านั้นเลยถ้าอยู่เป็นอบดับแล้วก็ถ้า ปล่ให้รุ่นขึ้นมาเป็นรัติเฉดด้วยสำหรับในเรื่องนี้ในกรุณทีแก้ว่าปริวาสิกาพิจูผู้แก่กว่านอนก่อนฝ่ายปริวาสิกาพิจูผู้อ่อนกว่ารู้อยู่นอนที่หลังเป็นรัติเฉดด้วยเป็นทุกกดด้วยเพราะวัตถเพศแก่เธอด้วยแต่สําหรับปริวาสิกาพิจูผู้แก่กว่าเป็นเพียงรัติเฉดไม่เป็นอบัติทุกกดเป็นนอนร่วมกับใครก็ไม่ได้จะเป็น ผู้ที่เป็นปกติก็ไม่ได้ภิกษุที่อยู่ปริวาด้วยกันก็ไม่ได้แต่ว่าถ้าภิกษุที่อ่อนกว่าอยู่ปริวาด้วยกันอ่อนกว่าไปอยู่แบบภิกษุที่แก่กว่าภิกษุที่อ่อนนี้ต้องอัตถุกฎภิกษุที่แก่กว่านี้ไม่เป็นอัตถุกฎแต่ว่ารัติเฉดทั้งคู่ภิกษุที่แก่กว่านี้เป็นเพียงแต่รัติเฉดไม่เป็นทุกกฎเพราะวัตถเภศผู้อ่อนกว่าไม่รู้นอนไม่เป็นวัตถเภศทั้งสอง แต่เป็นรัติเฉต ด, ด้วยกันหนึ่งคู่เลยถ้าเมื่อปรมณ์สิกะทิสุผู้อ่อนกว่านอนก่อนผู้แกกว่าจึงนอนที่หลังและผู้อ่อนกว่ารู้ราตรีของเธอย่อมขาดด้วยเป็นทุกกเพราะวัตถเพศแก่เธอด้วยฝ่ายผู้แก่กว่าเป็นเพียงรัติเฉตได้เป็นวัตถเพศสําหรับผู้แกกว่าที่มีติดในตอนที่จะนอนไม่เป็นอบัดแต่ว่าไม่พ้นจะรับติเฉตแต่ทิสุผู้อ่อนกว่านี่ถ้ารู้ ว่ามีที่จุ๊บที่แก่กว่ามานอนด้วยตัวเองจะนอนก่อนหรือว่านอนที่หลังก็แล้วแต่เดียนะถ้ายังถื่อไม่นอนก็เป็นอาบัดด้วยแล้วก็เป็นรัติเฉดด้วยถ้าผู้อ่อนกว่าไม่รู้ไม่เป็นวัตถเพศด้วยกันทั้งสองฝ่ายแต่คงเป็นรัติเฉดนะคือจะรู้หรือไม่รู้นี่เป็นรัติเฉดดังนั้นแต่ว่าวัตถเภศนี่ต้องรู้จึงจะเป็นวัตถเพศนะ แล้วมันจะเป็นวัฏเพรษเฉพาะที่สู่ผู้ที่อ่อนกว่าผู้แก่กว่านี้ไม่เป็นวัฏเพศถ้านอนร่วมถ้าทั้งสองฝ่ายนอนไม่ก่อนได้หลังผู้แก่กว่าเป็นเพียงรัติเฉดผู้อ่อนกว่าเป็นรัติเฉดด้วยแล้วก็เป็นวัฏเพศด้วยเพราะฉะนั้นผู้อ่อนเป็นสามกว่าเราก็ต้องระมัดระวังอย่างมากเลยเพราะว่าจะมีอบัดเพิ่มนอกจากรัติเฉดแล้วก็มีอบัตดทุกกฎเพราะวัฏเพศด้วยดังนี้ ปริวักนการพิกษุสองรูปมีพรรษาเท่ากันรูปหนึ่งนอนกรรูปหนึ่งรู้อยู่เที่ยวนอนที่หลังนางตีของเธอผู้นอนที่หลังย่อมคาและเป็นทุกกฎเพราะวัตถเพศแก่เธอด้วยสำหรับผู้นอนกนเป็นเพียงรติเฉดไม่เป็นวัตถเพศเพราะว่าไม่รู้นี่มาถึงพรรษาเท่ากันถ้าภรรษาเท่ากันก็คนไหนรู้ แล้วก็ยังถือนอนเป็นวัตถเพศปฏิทุกฏแต่ว่าจะรู้หรือไม่รู้ว่าถ้านอนแล้วเป็นรัติเฉดด้วยกันทั้งคู่แหละถ้าแม้ผู้นอนที่หลังก็ไม่รู้ไม่มีวัตถเภทด้วยกันทั้งสองฝ่ายแต่คงเป็นรัติเฉตหากแม้ทั้งสองฝ่ายนอนไม่กอดไม่หลังกันเป็นรัติเฉตเท่านั้นไม่เป็นวัตถเภศทั้งสองฝ่ายเพราะว่าพรรษาเท่ากันนะก็ถ้าว่าป ร, ริวาสิกาที่สุดทั้งสองรูป เพิงอยู่ด้วยกันพวกเธอรู้อัาจารย์ของกันและกันแล้วจะพึงเป็นผู้ไม่เคารพหรือมีความเดือดร้อนแล้วต้องอาบัต้นั้นหรือต้องอาบัตที่เล็วสารกว่าหรือสึกเสียเพราะเหตุนั้นการนอนร่วมกันของพวกเธอพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงห้ามไว้ด้วยอาการทั้งปวงเพราะฉะนั้นถ้าต้องอาบัตเหมือนกันก็ไม่ควรไปนอนด้วยกันเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องอาบัตเพิ่มหรือว่าทําให้ไม่เป็นผู้ที่เคารพ มีเพื่อนแล้วตามปฏิการก็จะทำให้ไม่มีความละอายและในปาริวาสิกะวัตตาทิการนี้ก็คือในเรื่องของข้อวัดเกี่ยวกับป ร, ริวาสิกะวะัตพิสุผู้ควรมูลายะปฏิการสนาเป็นต้นพึงทราบว่าตั้งอยู่ในฐานะของพิกษุปกติตะของปริวาสิกภิกษุเพราะฉะนั้นจะเป็นนอนร่วมกับพวกมูลายะปฏิการศนาพิสุที่ขอชักาติภพเดิมหรือว่าพวก ทิศุที่ควรแก่มานัทประพฤติมานัทควริกัอาภาร์ตั้งอยู่ในฐานะเป็นปกติของปริวาสิกะทิศุเท่านั้นเลยเพราะฉะนั้นปริวาสิกะทิศุไม่พึงนั่งบนที่นั่งเดียวกันกับทิศุผู้ควรแก่มูลายะปฏิการนาผู้ควรแก่มานัทผู้กำลังประพฤติมานัทผู้ควรแก่อาภารเมื่อมูลายะปฏิการนาระหะทิศุเป็นต้นนั่งบนอาสนะตามไม่พึงนั่งบนอ า, นาสนะสูง นับนพื้นดินก็ไม่ถึงนั่งบนอาสนะไม่พึงจงกรมในที่จงกรมเดียวกันเมื่อมูลายะปฏิการนาทิสูตจงกรมในที่จงกรมต่ำไม่พึงจงกรมในที่จงกรมสูงเมื่อท่ำจงกรมบนพื้นดินก็ไม่พึงจงกรมในที่จงกรมก็คือต้องให้เกียรติต้มตะพื้นต่ากว่าเป็นอบัตทุกฎแจกทิสุปริวาสิกกะ ผู้ยินดีสามมิจกรรมมีการกราบไหว้เป็นต้นของปกติตาที่สุดทั้งหลายที่เหลือถ้าที่สุดปกติตาจะมากราบมาไหว้อะไรนี้ก็ต้องห้ามว่าผมประพฤติวัดอยู่ประพฤติวินัยกรรมอยู่ท่านอย่าไหว้ผมเลยถ้าเขาไหว้อันนี้ก็ไม่เป็นอบัติเพราะว่าไม่ยินดีถ้ายินดีไหว้ต้องอาบัติทุกกฎโดยที่สุดแม้ที่สุดผู้ควรแต่บูร่ายาปฏิการนาเป็นต้นก็ไม่ควรจะมาให้ไหว้ด้วย เว้นพิจุปริวาสิกะผู้อ่อนกว่าเทียบใพิจุผู้ต้องแบบสำคัญพิเศษเหมือนกันและอยู่ปาริวาร่วาเหมือนกันแต่ว่อ่อนกว่าเนี่ยก็ให้ไหว้ได้แต่คนอื่นนี่ความไหว้ทั้งหมดเพราะมีพระบาปิจุาริวานกอน์พิจุทั้งหลายปริวาสิกะพิจุไม่พึงยินดีการกราบไหว้การลุกนับอัญเชิกรรมสาบิจิกกรรมการนำ อ, อาสนะมาให้การนำที่นอนมาให้ด้ำล้างเทา้าการตั้งต่งรองเทา้า กระเบือเจ็ดเท้าการรับบาตรจีวรการถูหลังเมื่ออาบน้ําของปกติตาตาที่ทัวทหลายรูปใดยินดีรูปนั้นต้องอาบัดทุกกฎตอนนี้แม้ยินดีวัดของสัตวิวิหาริกทั้งหลายก็เป็นอาบัดทุกกฎเหมือนกันมีลูกศิษย์จะเป็นสัตว์วิหาริกหรือว่าอันเทวสิษย์ก็แล้วแต่จะมาประพฤติวัดต่างๆก็ต้องไม่ยินดีต้องบอกบอกว่าผมประพฤติข้บวัดอยู่เข้าพื้นวินียกรรมอยู่ถ้า ที่สูจ น, น์อนันต์ไม่สนใจจปัประพฤติวัดตามท่องวัดของตนเองก็ื่อเรียนผัเพราะเหตุนั้นปาริวาสิกาพิสูจน์นั้นพึงบอกพิสูจน์ทั้งหลายว่าข้าพเจ้ากำลังประพฤติวินัยกรรมอยู่พวกท่านอย่าทำวัดแต่ข้าพเจ้าเลยอย่าบอกละเข้าบ้านกับข้าพเจ้าเลยดังนี้ถ้าคนบุตรผู้บวชได้ศรัทธากล่าวว่าขอท่านจงทำวินัยกรรมของท่านเถิดขอรับดังนี้แล้วคงทำวัดตามเดิม ทั้งบอกราเข้าบ้านด้วยตั้งแต่การที่ห้ามแล้วก็ไม่เป็นอบัติแต่ถ้าไม่ห้ามยินดีอยู่ก็เป็นอบัติในบรรดานปาริวาสิกาพิสูดด้วยกันพิกูุรใดๆเป็นผู้แก่กว่ากันและกันพิสูตรนั้นจะยินดีสามิจิกรรมมีการกราบไหว้เป็นต้นของพิกูตรผู้อ่อนบนสารกว่าก็ควรนี้สําหรับเป็นปริวาสิกาพิสูุด้วยกันเพราะมีพระบาลีวา่าดูก่อนพิสูตทั้งหลาย เราอนุญาตการกราบไหว้การลุกลับอันชฉลีกา ร, รสามิจกรรมการนำอานะณมาให้น้ำล้างเทา้าการตั้งต่งรองเทา้ากระเบื้องเช็ดเทา้าการรับบาดจีวรการถูหลังให้เมื่ออาบน้ำของพิสษจผู้อยู่ปริวาตด้วยการตามละดับผู้แก่กันสาดัางนี้ผู้อ่อนจะมายินดีให้ผู้แก่ทำให้นไม่ควรแต่ว่าผู้แก่กว่าจะยินดีกับผู้อ่อนที่มาทาให้นีได้ ที่ปริวาจะทนกิจท่าอย่างมีอุโบสถเป็นต้นเหล่านี้ตามระดับผู้แก่กว่าแม้กับปกติต่าพิสุก็ควรเพราะมีพรบาลีาลว่าดูความทิ่สุทั้งหลายเราอนุญาตกิจท่าอย่างคืออุโบสถหนึ่งประวรณาหนึ่งผ้าอาบน้ำฝนหนึ่งการสละพัดหนึ่งและการรับพัดหนึ่งแก่ที่สุทั้งหลายผู้อยู่ปริวาตามระดับผู้แก่พรรษาดังนี้เพราะฉะนั้นเมื่อกําลังสวดปาฏิโมก ปริวัสิการพิสูดน์น่งในหัตถบารย่อมควรมอลงอุโบสถทบปฏิโมกขด้วยกันได้ต้องนั่งในหัตถบาทด้วยนะถ้านั่งเวทหัตถบารนี้กรรมก็จะเสียเพราะว่าไม่มาเข้าหัตถบารนี้ก็เป็นการเขาเรียกว่าอะไรกรรมไม่พร้อมเทียงไม่ได้อยู่ในหัตถบาร์ดแต่ในมหาปัญจเรีกล่าวว่าญาณนั่งในลำดับพึงละลำดับเสีย แต่อย่านั่งละหัตตาบก็คือให้ไนั่นงตอนท้ายแต่ว่ า, าอย่าให้เลยหัตตาบไปดังนี้เมื่อทำปาริสุทธิ์ที่อุโบสถพึงนั่งในที่ของพระสังฆวนา ว, วกตะและคงนั่งในที่นั้นเองทําปาริสุทธิในลําดับของตนแต่เมื่อทําปารามนาเล่าก็พึงนั่งในที่ของสังฆนา ว, วกตะและคงนั่งในที่นั้นเองปารามนาในลําดับของตน ก็คือต้องเป็นไปนตามลำดับดบุตรสรณะพระอนุปนิการสลรักภระตัววการรับพัดเป็นไปนตามลำดับพรรษาแตว่าก็ต้องไปอยู่ในที่ของสังฆนวิกกะคือพระมารณิสุทแหละในดังท้ายที่สุดภระอันภิกษุสละให้เรียกว่าพระที่ภิกษุโอนให้ถ้าอุเดสะพัดเป็นต้นสองสามที่ถึงแก่ปาริวาสิกะภิกษุไซแต่เธอมีความหวังปุขคลิกพัดอื่นอุเดสะพัดเป็นต้นเหล่านั้น เธอพึงรับตามลำดับแล้วบอกเสียสละว่าถ้าจงให้ผมรับคราวหลังเธอขอรับวันนี้ความหวังเฉพาะพัดของผมมีอยู่พรุ่งนี้ผมจัดรับดังนี้ด้วยการเสียสละอย่างนี้เธอย่อมได้รับพัดเหล่านั้นในวันรุ่งขึ้นเหมือนกับฝากเอาไว้ก่อนครุ่งนี้ค่อยเอาได้กุรุนทีกล่าวว่าในวันรุ่งขึ้นพึงให้ปริวาสิกาที่ตุนั้นก่อนที่ตุทั้งปวง แต่ถ้าเธอไม่รับไม่โอนให้เสียในวันรุ่งขึ้นย่อมไม่ได้ต้องมีการโอนถึงจะได้ถ้าไม่โอนก็ไม่ได้เหมือนกันพักที่พิสูุโอนให้นี้แหลพระผู้มีพระภาคเจ้าอนุญาตเฉพาะปาริวาสติกะพิสุจเท่านั้นถามว่าพระเห็นใดตอบว่ายาคูและ ข, ของขบเคี้ยวเป็นต้นในโรงอาหารย่อมถึงแก่เธอผู้นั่ในที่สังเขนวกะบ้างไม่ถึงบ้างพระเห็นนั้นพักที่ิสูจโอนให้ดี พระผู้มีพรภาคเจ้าจึงทรงอนุญาตเฉพาะเพื่อทําการส่งมอบแก่ปราริวาสิกาพิสูจน์นั้นว่าเธออย่าต้องลําบากเพราะที่สาอาหารเลยก็คือเมื่ออยู่ปริวาสและเป็นด้านปั่นท้ายนี้อาหารแล่นก็ถึงบ้างไม่ถึงบ้างเพราะฉะนั้นถ้ามีอาหารที่เป็นอุเดหภูมิที่ก็เจาะจงไว้อย่างนี้สําหรับพระพิสูจแล้วก็มาถึงปาริวาสิกาพิสูจน์นี้จะฝากเอาไว้ก็คือโอนเอาไว้ให้ใหก่อนว่าวันนี้มีอาหารอื่นแล้วค่อยรับอาวันใดพรุ่งนี้ก็ได้ วันพรนี้ก็ต้องให้ปรวิวาสิกาพิสูจน์ี้ก่อนเลยบทว่าพัดตามได้แก่เจตุสารละพัดของสงในวิหารของสงผู้มาแล้วมาแล้วเพืงรับไปตามลําดับผู้แก่ปรวิวาสิกาพิสูุย่อมได้พัดนั้นตามลําดับผู้แก่แต่ไม่ได้เพื่อจัดไปยืนในแถวเวลา จ, จะรับพระหารที่ถึงตามลาดับถึงลำดับอุืตนกี่ภาษากี่ภาษาก็นับตามนั้น แต่ว่าไม่ให้เป็นยืนในแถวเพราะเหตุ น, นั้นพึ่งถอยจากแถวแล้วยืใ น, ยววยในในหัตถบาทก็ถอยจากแถวมาแต่ว่ายุดในหัตถบาทนั้นเอื้อมือรับเอาอย่างเกี่ยวโผลลงช่วยเอาเชนั้นก็คื อ, อยืนในหัตถบาทแล้วก็รับเอาเวลาที่ก็แจกพัสนั้นนะเธอไม่ได้เพื่อจะใช้อารามิการบุษหรือสมัมบุตเทศให้นำมา ถ้าเขานำมาเองข้อนั้นควรอยู่แม้ในมหาเปลพัฒนของพระราชาก็ในนี้แลในมหาปัญจเรีกล่าวว่าแต่ในจตุสารพัฒถ้าปริวาสิกางที่สูกเป็นผู้ใคร่จะทําการโอนให้ไซเมื่ออาหารอันเขายกขึ้นแล้วเพื่อประโยชน์แก่ตนพึงบอกว่าวันนี้พัดของเรามีอยู่พรุ่งนี้เราจึงจะรับดังนี้ด้วันรุ่ขึ้นย่อมได้อาหารสองส่วน เหมือกรฝากมาแม่เนอะแม้ในอุเทศสัพันเป็นต้นพึงถอยห่างจากแถวก่อนจึงรักไม่ให้เข้าแถวต้องประพฤติต่างจากพิสุปกตะิะละและพวกขายกนิมนให้นั่งในที่ใดแล้วอังคาาพึงเป็นหัวหน้าของพวกสามเดนเป็นสังฆนวกะของพวกพิสุนั่งณที่นั้นนี้ชื่อว่าอาริวาสิกพัต ก็คือต้องไปนั่งตอนท้ายของวิจุใหม่ที่สุดเลยแต่ว่าต้องนั่งเหนือสามเดน่นไปต้องไปนั่งท้ายสามเด่นหรอกบัณเดชทู้ทราบว่าปาริวาสิกวัดนี้นั่นแหลเป็นวัดของมูลายาปฏิกัสดาราระหะมานาตาระหะมานาตาจาริกะและอภานาระหะด้วยก็คือข้อวัด น, นั้นเหมือนกันส่วนในวัดของมานาตาจาริกะมีความต่างกันว่า ที่สู่ผู้ประพฤติมานัตพึงบอกทุกวันถ้าเป็นปรวุวาติกาพิจุอันนี้ไม่ต้องบอกทุกวันก็คือเมื่อบอกกับพิจุใดแล้วก็เป็นทันบอกแล้วแต่ว่าถ้าพิจุที่เป็นอาคันตุกะมาอันนี้ต้องบอกใหม่เมื่อบอกแล้วก็ถ้าอยู่ในวัดอยู่ไปก็ไม่ต้องบอกแล้วแต่ถ้าเป็นมานัตะจาริกาผู้ประพฤติมาณัตนี้บอกแล้วก็ต้องบอกทุกวันเลยส่วนในเรื่องรัติเขตการอยู่ร่วมที่กล่าวไว้โดยนาเป็นต้นว่า ไม่พึงอยู่ในที่มุงอันเดียวกันกับปกติตาที่สุตหนึง่งการอยู่รูปเดียวหนึง่งการไม่บอกอาคันตุกะที่สุตเป็นต้นหนึง่งเป็นรติเฉดแก่ปารวิวาสิกะที่สุตด้วยเหตุแม้อันหนึง่งก็คือจะเป็นข้อไหนก็นแล้วแต่ไปอยู่ในที่มุงที่บางเดียวกันกับปกติตาที่สุตอันนี้ก็รติเฉดแล้วหรือว่าอยู่รูปเดียวไม่มีพระวิจุตอยู่เป็นเพื่อนเลยก็รติเฉดแล้วอันนี้หมายถึงว่าต้อง ต้องข้ามวันอรุณขึ้นมาเนี่ยแล้วก็มีอังคตุกะมาไม่บอกอันนี้ก็เป็นรัติเชตแล้วแต่ว่าถ้าสามารถตามไปบอกทันในวันนั้นก็ไม่เป็นรัติเชตต้องใหรรุณขึ้นมาแหละเพราะมีพระบาลีว่าดูก่อนอุบาลีรัติเชตของปาริวาติกะทิโตมีสามอย่างคือสหวาระคือการอยู่ร่วมหนึ่งวิปวาระการอยู่ปราดหนึ่งอนารจนะการไม่บอกหนึ่งดัง น, นี้ สำหรับมนานะต่างจริกาทิสตุรัติเฉดย่อมมีแม้ด้วยเหตุอย่างหนึ่งในบรรดาเหตุสี่อย่างเหล่านี้ก็มีพระบาลีว่าดูกรอุมาลีรัติเฉดของมนานะตจริกาทิสตุมีสีอย่างคือสหวาสการอยู่ร่วมดึงวิปวาสการอยู่ปราดหนึ่งอนาโรโฌนะการไม่บอกหนึ่งอูเนคฆเนจารณนะการประพฤติในขณะที่ท่องหนึ่งก็คือต้อง อยู่ร่วมกับพิจุในวัดนั้นหรือว่าในอาวาสนั้นสี่รูปขึ้นไปหละอันหนึ่งที่โตสี่รูปหรือว่าเกินกว่าสี่รูปชื่อว่าคณะในคําว่าอูเดคะเนนี้เพราะฉะนั้นถ้าแม้มานตตะจาริกะพิจุอยู่ร่วมกับพิจุสามรูปเป็นรัติเชตทีเดียวผู้ที่ประพฤติมานั้นนี่ต้องเพลินครับรัติเชตมีสี่ข้อเึลินคัดมากกว่าพิจุที่อยู่เป็นวา ที่ส่วนที่อยู่ปริวาสนี้ไม่ต้องบอกทุกวันแต่ถ้ามานะั่ต่าจาริกะผู้ประพฤติมานะั้นต้องบอกทุกวันเลยแล้วก็พิสูจน์สี่รูปขึ้นไปด้วยอันนี้ก็เป็นเรื่องของผู้ประพฤติวุฒิฐานวิธีออกจากอันเป็นสำคัญพิเศษถึงเป็นครุขรบัตรการถวินิฉัยเรื่องการออกจากครุขบัตรในบางลีมุตตกะเวิยนยะเวนิฉัยสังคหะจบแล้ว ก็ขอให้ท่านทั้งหลายผู้ที่มีอาบัตก็จงปลดเรื่องออกจากอาบัตอาบัติเบาก็แสดงเสียแล้วก็ตั้งใจว่าจะไม่ทําให้ล่วงอาบัตเหล่านั้นอีกอาบัตหนักก็มาประพุทธวุฒานะคามินีหรือว่าวุทฒานัวิธีนี้ปลดเปื้องให้บริสุทธิ์จะได้ไม่เดือดร้อนแล้วก็จะได้ตั้งใจอบรมสมาธิเมื่อมีจิตสงบเป็นสมาธิร้องไปในการที่จะรู้เห็นตามความเป็นจริงก็ย่อมจะรู้ชัดได้ว่าสังขารทั้งหลายนั้นไม่เที่ยงสังขารทั้งหลายนั้นเป็นทุกข์แล้วก็ธรรมะทั้งหลายนั้น เป็นอนาตาจึงไม่ควรจะยึดมั่นถือมั่นก็น้อมไปในพระนิพานก็จะเป็นปัจจัยทําให้สิ้นวัตะทุกโดยเร็วพลันคอยถ้านทั้งหลายจงได้ประสบกับพระนิพพานบรรลุพระนิพพานโดยการไม่เลินช้านี่ด้วยเทินสาธุสาธุสาธุ